วันนี้เป็นวันที่สามของปีใหม่ที่ผ่านมาญาติโยมรู้สึกอุ่นหนาฟ้าข้างนะปีนี้นะญาติโยมมากปีเนี่ยมากกว่าที่ผ่านๆมาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนั้นปีนี้ก็คงคิดว่าเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นกำลังเห็นญาติโยมลูกหลานมา ทำบุญเยอะเต็มศาลาในวันที่หนึ่งคือมาจากทางไกลแต่ตามไม่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นลหละปีหนึ่งเราควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกบรรพชนของพวกเรารออยญาตพี่น้องที่เรารักเคารพนับถือที่มีพระคุณสำหรับเราอันนี้ก็คือปีใหม่ก็ควรลำานึกถึง ผู้มีพระคุณครั้งหนึ่งถ้าหาว่าไม่ถึงปีใหม่เราก็ไม่ได้ลำนึกถึงโดยมากจะมีสงกรานต์ครั้งหนึ่งลำนึกถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ไม่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ขาสองแขนสองคือมรดกของพ่อแม่ที่ให้เรามา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 เงินคำทรัพสมบัติตามอัตภาพที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ควรปล่อยปะละเลยอันนี้คือหน้าที่ของลูก <c oughs> ลูกหนี้ว่ากันแไม่ใช่ลูกธรรมดาได้ลูกหนี้เราทุกคนเป็นลูกหนี้ควรจ ะ, ะระลึกถึงพระคุณของท่านในเมื่อท่านล่วงลบไปแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วก่อนหนี้ ก่อนนี้ที่ท่านให้ไว้ก็ยังมีอยู่ขา2แขนสองเนี่ยศีรษะหนึ่งเ่ยเราก็ใช้ก่อนทุนกอง น, นี้ยังทํามาค้าขายยังหาเลี้ยงชีพอยู่ เ, เมื่อครบรอบปีอย่างวันเนี้อย่างปีใหม่เนี่ยเราก็ควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะจะส่งให้ทางอื่นเราส่งไม่ได้แล้วบานนี้เพราะท่านตายไปแล้วเราก็ทําบุญเออ กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เมื่อทำบุญตักบาตรถวายจะตกปัจจัยทยทานตามอัตภาพจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของเราถ้าหาว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ณสถานทินใดก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลมาอนุมโมทนาส่วนบุญที่ลูกนี้ได้อุทิศส่วนกุศลให้น่ อันนี้ก็คือเป็นการกตัญญูกตเวทีตาทดแทนพกคุณของบิดามารดาตลอดถึงปู่ย่าตายายที่มีพกคุณที่เอามรดกตกทอดมาให้พวกลูกพวกหลานพวกเราได้อยู่ได้กินได้สะดวกสบายพาะปู่ย่าตายายหามาไวให้แต่ถ้าว่าพวกเราหาด้วยปีแข่งของตัวเองแต่ถึงอย่างไงก็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 พัฒนการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยไม่ควรประมาทใครทําใครได้แต่คนที่อนุโมทนานั้นก็ได้แต่ไม่มากแต่ถ้าไม่อนุโมโอธนานไม่ได้เด้เสมมติว่าสามีพัญญาลูกเต่าล้านเลนไปทําบุญเนี่ยมันไปอะไรมากมายนักหนาไปทําบุญมันได้อะไรอย่างเนี้ยไปดูถูกเหยียดย้ำไม่อนุโมทนานไม่ได้เด้แปลว่าปิด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 ไม่ได้ทําอย่างนั้นแหละไม่ได้เด๊ะออย่างหลวงปู่ชอบท่านนั่งภาวนาหลวงปู่ชอบเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะอท่านเป็นพระอะไรอท่านก็คงเป็นพระอริยพระอรหันต์ท่านนั่งภาวนาจวนใกล้สว่างนิมิตคล้ายๆกับว่าพอจิตสงบลงไปพอจิตสงบลงไปไปเห็นวิญญาณเข้ามาบอกว่าท่าน ท่านทำไมไปคนเดียวปล่อยให้ฉันตกทุกข์ได้ยากอยู่ได้ทำไมท่านจึงไม่ช่วยเหลือข้าเลยไม่ช่วยเหลือฉันเลยทำไมท่านจึงปล่อยให้ฉันอยู่อย่างนี้ท่านมีจะไปดีเสียแล้วปล่อยให้ฉันตกทุกข์ได้ยากทั้งที่เป็นทุกข์ยากมาด้วยกันหลวงปู่ชอบว่าเอาเป็นอะไรก็ฉันก็เป็นไก่ได้สิวะงนเอาทำไมละ่ะ อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอตอนเช้าตอนท่านไปพิดนาบาัตท่านจะแสดงให้ดูก็แล้วกันล่ะเพราะงั้นอยังโมโหอย่ได้แม่ไก่ตัว น, นั้นน่ะเออท่นจะแสดงให้ดูพอแล้วกันนะเอออาจารยท่านก็เลยเอ๊ะทำไมวะอสงไข่จะเป็นคู่อกรรมคู่เวรคู่บา ร, รมีกันล่ะเพางั้นเถอะ เ, เกิดมาด้วยกันเวลาหลวงปู่ชอบชักชวนไปทําบุญกับพวกยอเฮ้ยไปซะ อยากลูกยากเต้าอยู่ไปไม่ได้หรอกเออจะไปก็ไปซะลักษณะอย่างนั้นอย่างเถอะเออทีนี้พอหลวงปู่ชอบท่านก็ไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเออท่านก็เป็นพระอริยบุคคลเพราะท่านบําเพ็ญเนี่ยแต่ตัวเองมีแต่ยุ่งยากเลยไปเกิดมันก็ไปคนละทิศ ท, ทางกันละบาดเนี่ยอ่ไปเกิดเป็นแม่ไก่พอตอนเช้ามาลงปู่ชอบก็เดินไปเห็นแม่ไก่ตัวหนึ่ง แท๊ะแท๊ะแท๊ะมางั้นเถอะมันห่วงลูกมันเออตักวักตักวักตักวักมเตะขาหลวงปู่ชอบประมาณเถอะโแม่นอิริีตัเนี่ยเจ้าปนวกแม่นอิริโตเนี่สันเดียร์เตะตักบักหลวงปู่ฉันก็ยืนให้มันเตะประมาณเถอะเออเตะแท๊ตแทกแท๊กกลูกมันสามสี่ตัวกันพอผที่สุดพอเตะเสร็จแล้วมัน มันก็ยังด่าไป่อีกนะตกตักตักตักนะไปหาลูกมันว่างั้นเออเออเอาดีแต่ตัวคนเดียวหนิไม่เลี้ยวแล้วคนอื่นเลยวันเจวานี้เงี้ยน่ะแม่ไก่ว่างั้นเถะเออหลวงปู่ชอบโทษแม่เอลีตัวนี้เอ่อเราดิได้นิมิตเอ่อเมื่อคืนเนี่ยทันวาน่ะเออเราจะช่วยอะไรได้วะเออเวลาชวนไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมไปนี่วะเอ่อมิแต่ยุ่งแต่ยากไม่อนุโมทนายัง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 การสร้างบุญสร้างกุศลนะเออมันต้องอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเน๊เอ่จริงจะได้บุญได้กุศลแต่ถ้าว่าคนหนึ่งขัดคนหนึ่งคืนอีลงตรงนางน่ะคนไปมันก็ได้เอ่แต่ถึงยังไงยังไงก็ต้องทําใจระหว่างนั้นเอ่ผู้ที่ไปทำเนาะเอ่ต้องทําใจให้กว่างขวางเอ่ทำใจให้เบิกบานถึงจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามอ น, นั้นอุปสรรคนั่นแหะเอ่เป็นยาวิเศษเป็นยา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 นางกินจามนาวิทย์ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรพระพุทธเจ้าไเอาใจสู้เพราะงั้ น, นเอาใจสู้เสือบางทีกับเอาตัวไม่รอดเหมือนกันถูกฆ่าถูกแกงถูกทรกรรมถูกทุบ ถ, ถ, ถูกตีเหมือนกันนับไม่ถวดเพราะงั้นเถดด้วยการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไงก็ทำให้จิตใจเข้มแข็งอยาวันไว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 ในใิสัยใจคอก็ต่างกันอีกเพราะใจลุกคนระดวงเพราะนั้นเวลาออกมาจากแม่เดียวกันการสังสมบัลมีก็ไม่เหมือนกันคนหนึ่งทุกข์คนหนึ่งจนคนหนึ่งขี้เหลาเมายาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตนักปราชุดทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะดวงวิญญาณของคนเรานี่ไม่เสมอการแต่มาเกิดมาในพ่อแม่เดียวกันแต่ว่า การสั่งสมในดวงวิญญาณใจนันน่ะที่มาเกิดมันไม่เท่าเทียมกันคนหนึ่งก็บรรมีต่ำคนหนึ่งบ ร, รมีสูงคนหนึ่งยินดีให้ทานคนหนึ่งขี้เกียจคนหนึ่งกินเหล้าเมายาเลยโง่เง่าเตาตุตนคนหนึ่งก็รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตก็ยืนยาวสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญกุศลแต่ละคนแต่ละวิญญาณ มาส่งเสริมบางคนก็เวลาทำการทำงานมาจบจังหวะล่ารวยเอาล่ำรวยเอาเพราะอะไรก็เพราะอันนี้สงทานในอดีตชาติในปัจจุบันก็ตั้งตนไว้ชอบอีกทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมสำมาชีพมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็ได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นพวกเรา เมื่อได้ยินได้ฟังทมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมานี่ยนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเที่ได้ศึกษามาที่ได้พิจารณามาที่ได้พบได้เห็นมานำมาบอกกล่าวให้พวกเราทุกถทันนันำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงอา่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วเกิดอีกอา่า หลักพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านพาพิสูจน์มาแล้วเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้ า, าตัวเองตามบอทแล้วจะไปหารเก่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านผู้ตาดีน่อยไเก่งได้ยังไง เ, เราต้องเชื่อคนตาดีเชื่อพระพุทธเจ้าชเ ช, าชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมที่ท่านได้ฝึกมาแล้วที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วนี่นะ อ, อย่างที่หลวงปู่ชอบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ย ท่านก็ได่นิมิตมันก็บอกว่ามันจะเป็นไก่จะแสดงให้ดูมันว่ า, างนันนะฝีนยางของแฟนเก่ามาั่งดูท่านะพอไปบินถวาดว่าเดินไปองค์เดียวกับไปกันแท๊เข้ามาจริงๆเออแเต่เอาจริงๆงเหมือนกันโอ้จริงๆนะวะธวัานะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในหลักของพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นไปบินาานบาตกับพระอานุนไปเห็นหมูตัวหนึ่งนันมหากินอยู่ข้างถนนพระพุทธเจ้าเห็นแล้วยิ้มาตามปกติพระุทธเจ้าจะไม่ค่อยแย้มพระโอดนะแต่ท่านจะอยู่แบบนิ่งๆพอดีเป็นเห็นโอ้วิญญาณเนี่ยของสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเนี่ยมันชุ้งๆต่าๆรุ่มๆดอนๆจริงๆนะท่านบาเ อ, อน่าสลดสังเวชใจ ท่านก็เลยยิ้มพระอานุนก็ถามมาพระพุทธองค์แย้มพระโอษ์ด้วยเรื่องอะไรหนอพระเจ้าข่าพพุทธองค์ว่าอานุ์เห็นไหมนางหมูตานั้นล่ะหมูตานั้นเห็นไหมหมูตัวเมียเห็นพระเจ้าข่านั่นละ่ะเออสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัสปาลเขาเกิดเป็นแม่ไก่แม่ไก่หากินรอบๆศาลาเนี่ยพระท่านก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวัน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 อุจจาระเหมนกันเด็กินกันโอ้โหขี่กันไปขีขึ้นมายุ่วเยีไปหมดเหมือนกันเออพอนางเห็นเท่านั้นเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากเลยโอ้โหอุจจาระมันออกจากเราตกลงไปหาหนอนหนอนกินอีกเราเนี่ยมันสกกระปกถึงขนาดนั้นเนี่ยอออุจจาระมันออกจากร่างกายเราเมื่อร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยของปฏิกูลด้วยของโสกปรกท่านก็พิจารณาอสุภะ จิตของท่านเข้าสู่ความสงบนางกุลธิดานะ่ะนะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไปที่ไหนก็จิตอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ได้ปรุงฟุ้งไปทางอื่นเขินอสุภะอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่างนั้นะผลที่สุดนางก็คงอยาอายุไม่ยืนเท่าไหร่嘛นางก็เลยตายพอตายแล้วไปเกิดเป็นพรมหรืป่าขึ้นไปอยู่สันพรมเพราะอา น, นิสงส์ภาวานานะไปสู่พรมนะีถ้าไปอนนา น, น, อ น, นิสงส์ทานกะับอานิสงส์ศีลไปสู่สวรรค์ถ้าอา น, นิสงส์ภาวานา จิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแน่เลยเนี่ยพวกนี้จะพอตายจากช่วงนั้นป๊อจะเข้าสู่พรมเลยเป็นพรมจะเป็นอยู่ด้วยปีติสุขเ อ, เอคาคาตาด้วยด้วยความสุขด้วยปีติสุขพ ว, พวกพรมนะไม่ได้มีอาหารไม่ได้สัมผัสทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นเหมือนเท ว, วดา อ, อันนี้สัมผัสทางทพ เป็นสมบัติทิพย์แต่พรหมในเหนือขรเทวไดก้การเป็นอยู่ว่างั้นจากนั้นพอหมดอายุของพรหมนะหมดอันนี้สงแห่งการภาวนาของพรมพอหล่นลงมาตุกมาเกิดเป็นหมูอะมันต่ําขนาดไหนทีอนางเนี่ยวิญญาณตรงนั้นมาเกิดเป็นหมูในกรุงราชสือที่พระพุทธเจ้าเห็นะ่โอ้วิญญาณท่านว่า่ะทําไมมาเกิดเป็นหมูเพราะว่าออกจากพรหมลงมาแล้วกรรมชั่วในอดีตชาติคงจะมีอยู่นะ วิ่งปุ๊เข้าไปล็อกเลยว่างั้นเถอะพาไปเกิดเป็นสุกรเป็นหมูเนี่ยนี่แหละท่านหว่าวิญญาณ เ, เกิดขึ้นมาลุ่มรุ่ ม, ม, มดอนๆหน้าเบือ่อหน้าเอื่อมละอาเป็นอย่างยิง่งเหามาตรฐานไม่ได้เวิญญาณเนี่ยเป็นวั ต, ตวนวัตจตักรวั ต, ตวลเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร น, น่ากลัวเพราะฉนั้นท่านยิง สั่งสอนพุทธบริษัทว่าจงบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าประมาทนะชีวิตของเราเนี่ยเอบางทีมันสูงบางทีมันต่ําอย่างที่ที่ว่าเนี่ยอไม่มีที่สิ้นสุดบางทีอาจจะต่ํากว่านั้นก็ได้บางทีอาจจะตกนรกก็ได้เนี่ยเพราะว่าใจของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทําแต่กรรมดีอย่างเดียวเด็มันทํากรรมชั่วด้วยเอไม่ใช่จะทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวก็ทํากรรมดีด้วย มันทั้งสองกล่อมเหมือนกับมะพร้าวสองหน่อออกออกมาจากลูกเดียวกันนะั่นแหละเอออันหนึ่งกับกรรมอันหนึ่งก็เปนน็นหน่อบุญอันนึงเป็นหน่อบาปอย่างนั้นอ่ะถ้าหาว่าเราทําบุญมากหน่อมะพร้าวหน่อบุญก่อยาวขึ้นถ้าว่าเราทาารํ า, บ า, า, า, าทบาปมากมะพร้าว่อหน่ที่เป็นบาปก่นยาวขึ้นเหมือนกันเถอะเออมะพร้าวสองหน่อออกมาจากลูกเดียวกันนี่แหละถ้าว่าหน่อไหนมันยาวหน้อนั้นก็ให้ผลก่อน เออออกลูกก่อนว่างั้นเถอะ เ, เนี่ยแหละขอให้พวกเราทุกท่านนะ่ะอย่าโยมทุกคนนะนําไปคิดไปพิจารณาดูนะอกรรมดีกรรมชั่วอมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเอผมมโลกนิพพานมีจริงตายแล้วไม่สูญเพราะฉะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจ อ, อย่าประมาทชีวิตของเราไม่ยืนยาวนะ ไมถึงร้อยปีถึงจะร้อยปีก็เถอะหมดสภาพว่า ง, งั้นเถอะอคนที่ร้อยปีเราไปเห็นไหมมันหมดสภาพมันเหมือนกับอรถเก่านั่นแหละเออเดี๋ยวกัยางแตกเดียวกับตาหลุด เ, เดี๋ยวกับพวงมาลัยหลุดเออไม่รู้ น, น, รน็อตตัวไหนจะหลุดออกอีกเอออันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะคนอายุเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบปีใกล้ร้อยปีนะ่ะ เ, เดี๋ยวกับฟันหลุดหมดแล้วเออเดียวกับตาเลย <c oughs> เดี๋ยวก็หนังเหี่ยวเออมีอะไรเยอะแยะมิดที่มันจะหลุดออกไปไอ้พวกนั้นสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นรถก็รถหมดสภาพถ้เาเป็นคนก็คนหมดสภาพอ่าเพราะเอามันแก่แล้วพวันนั้นขณะนี้เรายังมีสภาพสมบูรณ์เออพร้อมที่จะสั่งสมบูรณ์กุศลได้พวกเราอย่าประมาทนะอ่เราจะต้องเดินไปจุดนั้นแน่นอนเอ่ไปจุดแก่นั่นแหละเอ้ บางทีอาจจะไม่ถึงแก่ตายก่อนก็มีว่างั้นแต่เนี่ยเพราะนั้นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลก็คือเสาะแสวงหาทรัพภายในสร้างบุญก็คื อ, ห า, า ห, าคอหาเงินใส่หัวใจของเราไว้เราออกจากชาตินี้พบน้ชาตินี้ได้บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนใจของเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นนะถ้าเราบําเพ็ญอย่างติดต่อก็จะพ้นทุกข์ในวัฏจักรสงสาร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 สร้างเอาไว้ซะทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เวลาตายไปแล้วไม่ต้องให้เขาว่าเอออุทิตส่วนกุศลไหนพอตูวเม่ตาได้เด้ออย่าให้เขาไหว่ยอย่างนั้นเ อ, อ่ให้เราว่าก่อนเขาเอยไม่ต้องทําบุญให้เราหรนะอกเนาะเราสร้างเอาพอแรงแล้วละ่ะบุญกุศลไหนที่เราจะสร้างเราสร้างเอาแล้วสู้เจ้าไม่ต้องทําให้ข่าก็ได้ฮคิดทาใหญ่พูดใหญ่ขนาดนั้นน่ะนี่เพราะนั้นอย่า อย่าไปมุ่งหวังคนอื่นถ้ามุ่งหวังคนอื่นไม่รู้เขาทําคิดทําถูกบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ก็ว่าก็ว่าไปอย่างนั้นอะจมพุมพุมพอมพมอยอดหยาดน้ําก็อาจดดาอีกต่างหากเฮ้อาจดดาแช่งอยูใ่ในใจอีกตางหากไอ้คนนั้นเราทำเอาเองดีกว่าขนาดเรายังมีชีวิตอยู่เดียวนี้นหละไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วนะอันนั้นแหละดีที่สุดนะ